าารู้สึกตัวนะให้รู้สึกตัวนะแล้วที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากให้จิตเราสงบเป็นสมาธิแล้วแล้วมีป้องหมายอะไรป้องหมายจริงๆของการปฏิบัติธรรมคืออะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆ เพราะนั้นเวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขันหักเกี่ยวกับตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นเราเนี่ยอย่างร่างกายอย่างเงี้ยมันเกิดมาแล้วมันต้องตายนี่ยแสดงว่าเนี่ยตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นของมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายโดยเฉพาะนี่แสดงว่าเรายึดไม่ได้เพราะนั้นเราต้องวาง แล้วร่างกายเราเนี่ยเริ่มต้นจริงๆนะที่เรามาเกิดเนี่ยอาศัยถาดของพ่อถาดของแม่มารวมกันแล้วจิตวิญญาณอาศัยอยู่เริ่มต้นแค่นั้นเองถ้าไม่มีวิญญาณมาอาศัยเราก็มีชีวิตอยู่ต่อมาถึงปัจจุบันไม่ได้ถ้ามีวิญญาณแต่ไม่มีถาดของพ่อถาดของแม่มันจบการรวมกันจิตตวิญญาณดวงนั้นก็มาเป็นเราอีกไม่ได้ นี่มันต้องมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไปอยู่ในท้องก็เล็กๆอยู่ในท้องแม่นิดเดียวมองในตาเปล่าไม่เห็นหรอกค่อยก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปก็ตันกองเป็นเลือดส่งมาเลี้ยงเจริญเติบโตขึ้นมายังไม่รู้เรื่องรู้ราวคลอดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอาศัยอาหารน้ำนมแม่อาหา ร, หาาหารเจริญเติบโตขึ้นมา สิ่งที่เป็นเราจึงได้มาด้วยอาหารอาหารก็คือธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟให้ต้นไม้มันก็ดูดผักอะไรพวกนี้มันเอาดินสิ่งที่อยู่ในดินนั่นแหละมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเจริญเติบโตมาเราก็ไปเอาธาตุดินเหล่านั้นแหะธาตุดินธาตุน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงธาตุไฟธาตุลมธาตลมก็อากาศเข้าไปธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่มันอยู่ในร่างกายเราในหลักทาให้เกิดความร้อนความอบอุ่นความเย็น ช่วยย่อยอาหารด้วยเร้่มก็ทําให้ร่างกายเราแก่ลงไปด้วยเนี่ไอ้ถัดไฟเนี่ยเพราะฉั้นร่างกายของเรามันประกอบด้วยดินน้ําลมไฟแยกออกมามันก็ส่วนคนตายบั๊บเนี่ยลมหายใจไปก่อนเลยนะลมหมดลมปั๊บเนี่ยลมไปแล้วแล้วเราจะว่าลมเป็นเราเหหายใจก็หายใจเองด้วยนะนี่มันไม่มีเป็นเราหรอกลมก็หายไปคนตายบั๊บลมไปก่อนลมไปแล้วไฟดับนั่น ไฟดับแล้วก็น้ําต่อมาน้ําก็ไหลเยอะออกมาแล้วเหยไปแห้งไปเหลือแต่ธาตุดินนี่จึงกลับคืนไปสู่ดินนี่แหละร่างกายของเราสุดท้ายกลับคืนไปสู่ดินแล้วมันจะเป็นเราตลอดไปได้ยังไงนี่เราหลงเนอะว่าเป็นเรานะทําอะไรเพื่อเราเพื่อเราเพื่อตัวเราเนี่ยมันหลงมากๆเลยนะนี่พระเจ้าอยากให้หายหลงเนอยากให้จิตเนี่ยมารู้ความจริงเนี่ย เพรเวลาจิตสงบลงไปเนี่ยมันต้องได้เอามาทําความเข้าใจด้วยมันก็เอาจิตมองดูอย่างเงี้ยถ้าว่าจิตมองดูปรับจิตมันยอมรับขึ้นมามันเข้าใจของเบาเลยนะโอแค่นี้เองเหรอเดี๋ยเด๋ยวก็ตายแล้วแล้วส่วนประกอบก็มันก็ดินน้ําลมไฟอดินคือส่วนไหนส่วนที่มันแข็งแข็งนั่นแหละแข็งแขงอ่ะส่วนไหนแข็งแข็งอ่ะแทนที่แนาอากาศได้นั่นแหละถ้าดินถ้าน้ําก็เป็นของเหลวเนี่ยแ่ละมันทําให้เกิดาการกาะกลุม ถัดไฟอ่ะร้อนขึ้นมาเย็นหรืออบอุ่นถ้าลมแหละมันเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวลมพัดไปพัดมามันเคลื่อนไหวเกิดอะไรดันขึ้นดันลงมันก็มีผลต่อร่างกายเราแล้วพวกนั้นเป็นอำนาจธาตุลมการเคลื่อนไหวอะไรของเราเนี่ยเพราะธาตุลมทั้งนั้นเลยนี่ยมันองค์ประกอบมันดินน้ําลมไฟอันนี้เฉพาะรูปเนี่ยรูปรูปประคันเนี่ยร่างกายเนี่ยรูปประคัน ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วจิตละ่นะน่ะมีคนนึงเข้ามาถามมันก่อนน่ะเขาถามเรื่องจิตโดยเฉพาะเลยนะว่าจิตนี่มันทํางานยังไงมันเป็นยังไงให้ตัวจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติรู้อารมณ์เนาะเพราะนั้นมันจะอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้เสมอไอจิตเนี่ยรู้อารมณ์แล้วมันก็จําได้นี่มีสัญญารู้ จดจำอะไรต่ออะไรได้นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้รู้สึกได้เนี่มันก็คือรู้กายรู้มันเป็นธาตุรู้รู้อารมณ์ได้ปรุงแต่งอารมณ์ได้แล้วก็มีสัญญาจดจําอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นในจิตของเรามันจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมันทำงานยังไงเราก็บอกว่าเอา ง, ง่ายๆเลนเวลากระทบอารมณ์ปับ๊บสึ่งว่ได้ยินเสียงอย่างนี้เสียงปั๊บขึ้นมาเนี่ย หูมีหูหูมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือรับเสียงเสียงมันจะเป็นคลื่นเข้ามาในหูเราแล้วตัวจิตปั๊บมันจะไปรับรู้ทันทีเลยนะต้องมีจิตด้วยนะเขาเรียกว่าโสตาวิญญาณเวลาเป็นรู้อารมณ์เขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยขันห้ามมันงานไปรู้อารมณ์ถ้าใครไม่รู้ทันตรงนี้นะมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นสบายไม่สบายนี่ในเสียงนั้นมันจะมีทําให้เกิดความสบายไม่สบายขึ้นเขาเรียกเป็น เวทนาเนี่ยเวทนาก็เกิดเองนะเพิ่งเกิดด้วยถ้ามันสบายมันถูกกับความต้องการของเราก็สุข เ, ขเวทนาถ้าไม่ถูกกับความต้องการของเราก็เป็นทุกเขเวทนาเนี่เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นเวทนาไม่รู้มันคือเวทนาพอสุขปั๊บเราอยากสุขทีนี้อยากได้สุขนานอยากได้สุขจริงๆมันอยากได้สุขแต่มันจะไปเอาเสียง อยา่างในเสียงพอๆเสียงดีๆตัวที่อยากนั่นก็สังขารนั่นแหละแต่มันมาในรูปของเป็นตัญหะก็เรียกตันหาก็คือสังขารมองในแง่ขันก็คือสังขาระขันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเวทนานี้เกิดเองกระทบปับ๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาอย่างอาหารอย่างเงี้ยเวลารับประทานอาหารอาหารกระทบดินปับ๊บมันจะมีโอชารด กระทบกับระบบประสาททางลิ้นที่มันรับรูดด้รสถ้ามันพอดีกันมันจะอร่อยอร่อยนี่เป็นสุขเวทนาถ้ามันไม่อร่อยก็เป็นทุกขเวทนาสียแทั้วตัณหาก็เกิด อ, อยากจะเอาเยอะๆวันหลังก็อยากเอาอีกนั่นก็นบุงแต่งไปจ้อาอย่างนั้นจ้าอย่างนี้นี่แหละตัวตัณหาความอยากเกิดเองถ้าใครมีสติรู้ทัน จะเห็นอาการของจิตเหล่านี้ปั๊บขึ้นมารู้ทันมันมันจะดับถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะปุงมันเนี่ยอุปทานจะไปยึดไวอยากบ่อยๆอยากบ่อยๆเนี่ยอุปทานล่ะสงใจไปบ่อยๆพูดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆไปทําตามจะเอามันนี่นี่อุปทานทั้งนั้นแหะอุปทานก็ทําให้เกิดการกระทําตามอํานาจอุปทานเขาเรียกวอกนี่ก่อเกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยนันเนี่ยสายทุกข์เนี่ย ที่แรกไม่มีอะไรหรอกกระทบอารมณ์ปับ๊บรู้ไม่ทันเกิดเวทนามีสุขมีทุกข์เราก็ไปยึดมาเป็นเราสุขเราทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันเสียมันก็โอ้เป็นเวทนาสักว่าเวทนาเรื่องจบแต่ถ้าใครไม่ทันปับ๊บเรื่องเริ่มเกิดแล้วทีนี้ถ้าทุกข์ไม่ชอบใจแหละไม่อยากเอาลรออยากทำลาย ก็เกิดโมโหขึ้นมาเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาเกิดโกรธเคืองขึ้นมาพยาบาทเบียดเบียนหูตามมาหมดเลยนะนิดเดียวนิดเดียวทรงนั้นแหละเรื่องเวทนาตนตอมจังเวทนาถ้าสุขก็จะเอาดินี่ชอบใจขึ้นมาปุงแต่งบนเวียนถ้าเป็นคนก็อยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากพูดอยากคุยประจบประแจงไปหมดเลยนี่ไปจากจิตเรานี่แหละ เนี่ยถ้าว่าใครเร็วก็ปั๊บเห็นมันไม่ทําตามมันเดี๋ยวค่อยๆดับลงไปถ้ามีอุปทานจะทําตามมันมันยืดยาวแล้วนะั่นไม่ดับง่ายๆแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยมีภพแล้วมีชาติชาตินี่คือตัวตนก่อเกิดเป็นความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เรเกิดแล้วถ้าตายปับ๊บลงไปก็ไปเกิดตามนั้นละ่ะกําลังโลภอยู่กําลังอยากได้อะไรมากๆตายปับ๊บลงไปก็เป็นเปรตเนะี่ยกําลังโกรธอยู่ตายปับ๊บลงไปก็หนุ่นละ่ะนรก ร้อนไม่รู้อะไรวนๆเวียนๆอยูอย่นะสติละชานมือลอยนี่เป็นเรื่องของจิตทางนั้นเลยเพราะนั้นต้องสติรู้ทันจิตมันก่อเกิดอะไรขึ้นมาเห็นเห็นมันเกิดเห็นมันดับต้องทันมันนะถ้าไม่ทนันมันเรื่องราวไปจากจิตนี่ละ่ะแต่เวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาไม่ได้รู้ว่ามันไปจากจิตนะคิดว่าคนอื่นทาคนนั้นคนนี้ทาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยร่างกายก็ ถาดดินน้ำลมไฟก็เกิดขึ้นมาทีแรกก็อาศัยถาดพอทานแม่แค่นั้นเองจิตยานมาอาศัยอยู่วิญญาณมันรู้มาจากไหนแล้วเราก็มาโมเวว่าเป็นเรากายก็เป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราก็ทำเพื่อเราไปหมดเลยจิตก็มันเกิดแต่ละขณะแต่ละขณะเราไม่ทันมันมันก็เลยเป็นภาพรวมองค์รวมว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราปับ มันขับแคบเลยนะันี่เห็นแก่ตัวขึ้นมาทันทีเลยจะทําเพื่อตัวเราอยู่ข้องกับใครก็พวกเราเนี่ยดูสิแคบแคบมากๆเลยนี่ความเห็นผิดแต่จริงๆเราไม่มีมีชั่วข่าวเฉยเฉยเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ผ่อนคลายไปบ้างสิปล่อยวางไปบ้างก่อนจะตายจากโลกนี้ไป หาทางให้มันเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองให้มันรู้เรื่องชีวิตตัวเองให้มากๆถ้ารู้เรื่องชีวิตของตัวเองจะเบาทันทีเลยน ะ, จะเจาอะไรเพื่อตัวเองก็จะเบาลงล ะ, จะเจาเพื่อร่างกายแล้วก็จะตายอยู่แล้วเอาพออยู่ได้แค่นี้ก็พอแล้วแต่ขออย่างเดียวไว้รู้ธรรมะธรรมะก็คือเรื่องชีวิตของตัวเองให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนมันจึงจะปล่อยวางได้ เพราะนั้นเวลามีสมาธิแล้วเนี่ยเราต้องการเป้าหมายคือให้รู้จักชีวิตรู้จักตัวเองรู้จักชนิดที่แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยแล้วเรารู้เข้าไปจริงๆนะมันเกิดระดับทันทีเลยนะเป็นกระแส ค, ความเกิดดับบางคนก็บอกว่าภา ว, าวานาไปเนี่ยความคิดมาเดี๋ยวมันดับเออเห็นแล้วความเกิดดับอันนี้เห็นข้างนอกเห็นแบบห่างมากนานๆเห็นทีนึงหรือคิดตามทีหลังแล้วค่อย รู้สึกได้เอาว่านี่ยังยังไม่เข้าขั้นนะแต่ถ้าใครเห็นจิตเริ่มรักษาจิตได้มันเร็วทีนี้เกิดดับปับปป๊บไปปั๊บไปต่อมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันอยู่เฉยๆดูจิตไปเนี่ยปัญญายาญมันแก่กล้ามันมีแต่ความเกิดดับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปปปใครๆมันจะมาสอนเราให้รู้ว่านี่ น, นี่เกิดดับนะอย่าไปยึดอะไรเลยนะ ยึดอะไรไม่ได้แล้วมันจะเกิดดับทันทีเลยพอจิตเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นบั๊บตัวเกิดดับแสดงทันทีเลยนี่แสดงว่ามีปัญญาก้าแล้วคนนั้นเนี่ยวิปัสนาญาณเกิดเนี่ยถ้ยังมีมรรคผลก็เริ่มที่จะจะบรรลุมรรคผลแล้วแต่บรรลุมรรคผลแล้วก็ผลของการบรรลุมรรคผลก็เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้สามารถบรรลุมรรคผลขั้นต่อไประหว่างที่มันยังไม่ถึง ผลของการปฏิบัติยังไม่มากมายอะไรเราก็ช่องทางไหนทำให้จิตเราอยู่กับตัวเราได้ทำเมื่ออยู่กับตัวเราแล้วช่องทางไหนทำให้จิตมันรู้ความจริงได้เห็นขันห้าได้ว่าไม่ใช่ของเราทำเนี่ยมันก็ไปตามลาดับสุดท้ายไม่ได้เอาอะไรเลยนะเพื่อการปล่อยวางขันห้าเพื่อไม่ให้มีเราไม่มีตัวตนของเราเราต้องเล่าเจตเป้าหมายของการปฏิบัติ ด, ด้วย อันนี้เพื่อสอนจิตเราให้รู้แต่เวลามาดําเนินชีวิตเราจะปล่อยทิ้งชีวิตไม่ได้ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ก็เป็นเราอยู่ชั่วคราวเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ถูกต้องพอเข้าใจใถูกต้องแนละ้วการปฏิบัติก็ค่อยๆดาเนินไปเอาเราจะปฏิบัติอีกเล็กน้อยนะให้รู้สึกตัวไว้ถ้าใครรู้สึกว่ายังต้องรักษาจิตอยู่ วนบริกรรมก็บริกรรมควรดูอะไรก็ดูได้เสื่อนคนที่ว่าเออช่องทางไหนจะทาให้จิตมันลึกซึ้งมันดื่มดำจิตอยู่กับตัวเองได้แล้วก็มันตื่นตัวดีทาถ้าสอนจิตได้หรือจิตดูความจริงได้ให้มันดูลงไปไม่มีอะไรเป็นเราเลยนั่นสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะ แล้ก็ไม่ต้องอยากด้วยได้แค่ไหนก็เอาลองพยายามแล้วได้แค่ไหนก็เอาเอาสัมรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลยเพราะนั้นสัมรวมจิตดีๆสุดสท้ทายละทําเหมือนว่ากําลังปฏิบัติบูบบบชา กำลังเอาร่างกายของเราจิตใจของเราบูชาพระพุทธเจ้านั่นคือต้องให้จิตเราอยู่กับตัวเราจิตอยู่กับตัวเราแล้วก็เอานี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ย้ำปณิทานทำจิตให้แน่วแน่นะถ้าจิตแน่วแนมันจะทำให้บรรลุเ ป, ป้าหมายนายข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติธปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยข้าวเจ้าเป็นบุมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสังสารด้วยเถิดล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญเลยนะอุทิศบุญเองเลยนะและวันนี้ก็วันพิยามาราเป็นกรรษัตริย์ที่มีคุณ ก็พระเทชาบันเมืองเราถวายเป็นพระราชะกุศลก็ได้กุทิบุญให้ได้ตามธรรมเนียมการบูชาผู้ที่มีคุณหรือบรรพบุรุษมีผลคือบูชาบั๊บมีผลมีผลคื อ, อยังไงเป็นบุญขึ้นมาเป็นวิบากที่ดี<อ>เกิดเป็นความดีขึ้นมาในตัวเราได้ผู้เจมาการบูชามีผล คนไขรมีคุณเนี่บูชาได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้บิดามารดาคุณบิดามารดาบูชาได้บูชาบุรพกษัตริย์เได้สิ่งไหนที่มีคุณต่อชีวิตเราบูชาได้บูชาแล้วมีผลผลในนี้คือวิบากเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าสิ่งไหนมันมีคุณค่าต่อชีวิตเราก็ให้ความสําคัญการกระทําอันนั้นล่ะมันก็เลยมีคุณค่าต่อเราอย่างในหลวงพระราชินีเนี่ยอันนี้มีคุณต่อแผ่นดินอย่างเงี้ยเราบูชาคุณได้เจ้าทิดบุญให้พวอคินปกปักรักษาคุ้มครองอะไรกันได้หมดนะ อาโหทิฏบุญเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะใครเที่วทิฏบุญให้ใครย้ําลงไปนะแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะก็ไปปฏิบัติกันเองมาที่หลังได้ที่พักหรือยังออมอะได้ที่พักหรือยังื อ, อ, ม, อ, งอมีใครมาที่หลังยังไม่ได้ที่พักเดี๋ยวไปหาดูนะไม่มีที่ไหนก็นีน่สาลานี่ก็ได้เนาะคืนเดียว ไมันกเข้าป่าไปเออคนที่มีกุฏิแล้วนะถ้าคนมาคนเข้ามาใหม่นะไม่มีที่ภาคกาะจายเราเคยเอาของเอาอะไรไปจองไวนะ้เก็บมานะเก็บมาเราอย่าไปเอาไว้มันทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยมันคนอื่นเขาก็เลยไม่มีที่ปฏิบัติกันเราก็มีกุฏิแล้ว ถ้าช่วงไหนคนว่างๆโอ้โหจะยังไงก็ได้มันก็เปิดกว้างที่้พงคนเริ่มมาปับ๊บเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างถ้าไม่มีของเต็นเต็นกลางอยู่ถ้าเก็บไม่ได้มันกลางอยู่ก็คนที่ไปถ้าไม่มีของอะไรก็เข้าไปพักได้นะถือว่าเขาคางเต็นไว้ให้บางทีก็ไม่ได้เก็บเพราะาเก็บไม่เป็นก็มีนะเต็นทหารนี่เก็บยากเราไม่ได้ฝึกนะ อันนี้ก็พูดกันเอาไว้แล้วละ่ะบอกกล่าวกันอยู่เพราะว่ามีคนมาบอกอยู่ว่าไปแล้วบางทีมันเหมือนกับคนกลางเต็นเอาไว้เขาก็ไม่กล้าเราก็เลยบอกว่าเออต่อไปนี้จะพูดกันว่าคนที่มีกุฏิอยู่แล้วนะ่ะถ้าช่วงไหนที่มีคนมาเยอะก็ให้เก็บข้าของมาสัก่อนหรือถ้าอยากเก็บเต็นก็ได้ถ้าเก็บไม่ได้ก็วางเอาไว้เราก็จะประกาศให้รู้ว่าเต็นน่ะกางเอาไว้ให้ให้เขาพักได้ ถ้ามีของอยู่อย่างนี้ก็ต้องถามถ่ายว่าใครแต่ว่าถ้าบอกกันอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องเก็บมาละเราก็เอากุฏิเราซะ ก, ก่อนแต่พอหมดเทศกาลแล้วกลับไปแล้วเอออย่างเงี้ยเปิดโอกาสอยากย้ายไปย้ายมาได้หมดเลยสมัยอยู่วัดดอยก็ชอบอย่างนี้นะเราย้ายไปย้ายมาไม่ค่อยได้ซ้ําหรอกตื่นตัวดีอะพื้นดีก็กว้ า, วางเป็นเขาอย่างนี้แหละ กุตีกอยู่ตะไกลๆกันเดินกลางคืนไปหานั่งอยู่ตามด้านหินก็มีใต้ต้นไม้ตามด้านหินเนี่ยเตือนง่ายๆโอ้อากาศดีเย็นสบายหน้าหนาวก็มีผ้าห่มจีวรไปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอากาศเย็นๆนี่ตื่นตัวดีด้วยแล้วที่แปลกๆมันตื่น เรอยู่กับที่จําเจบางทีง่วงซึมยิงไกลที่นอนเนี่ยโอ้ยจำเรื่องอยู่เรื่อยเลยบางทีก็หลอกตัวเองไงนอนภาวนาที่ใดได้ไดแปบ๊บเดี่ยวไปแล้วขนาดนั่งมันจะไปอยู่แล้วยังจะนอนภาวนาบางทีก็นอนเล่น <c oughs> นอนเล่นไฟอีกแล้วพอดีบทนอนนี่ต้องเอาเฉพาะเวลาจะนอนจริงๆ ตื่นเช้าก็เหมือนกันสมัยก่อนโอ้ตื่นเช้าต้องรีบไปเดินนั่งไม่เคยได้เรานี่ไม่เหมือนคนอื่น น, ะนั่งไม่เคยได้ตอนเช้าต้องไปเดินซะก่อนหรือยไม่งั้นถ้าจะนั่งก็ต้องโอต้องสํารวจดีๆเลือดลมวิ่งสะดวกเพราะว่าสุขภาพเกี่ยวสุขภาพลเลยเรือลมมันเนี่ยพอนอนตื่นขึ้นบางคนเขาตื่นแล้วสดชื่นนะเรานอนตื่นขึ้นมาทําไห้บริหารร่างกายเนี่ยโอ้มันสลืมสลือเลยนะต้องได้บริหาร นีนะ่มีลูกบอลประจํามีจักรยานไว้ถีบไว้อะไรตื่นเช้าขึ้นมากระตุ้นร่างกายหายใจสะดวกคล่องแคลววงไว้เดินลมวิ่งสะดวกสบายแต่วันไหนไม่เดอกกําลังกายแล้วเส้นสายนี่เอยึดตรงนั้นตรงนี้ร่างกายก็อ่อนเพรียวนี่ยต้องได้รักษาสุขภาพเอามีใครมีอะไรอยากจะถามอยากจะพูดไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกัน